ท่านสาธุรชนมทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยนรายการของวันที่สิบแปดธันวาคมต่อไปเพราะเรื่องยังไม่จบคือนิมิตนี้ดีคุ้มได้หลายวันวันที่พูดนี่เป็นวั น, เ ป, น, วนเป็นวันที่ยี่สิบธันวาคม 2, สองพันหรอยสี่เอ็ด <c oughs> อพูดทั้งตอนที่แล้วมา นางฟ้าประทูเธอก็ท้าทามที้งเรื่องรัชเทราชาเทวธิดานางเทพธิดาเข้าตอบแต่ว่าตอนนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าหมอดูสำหรับเรื่องราวของนางฟ้าหมอดูในเที่ยงนิดหนึ่งก่อนเอาเรื่องราวของรัชเทวธิดามาพูดกันก่อน เพราะว่าเป็นนางฟ้าตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ <c oughs> เจ้าเวลาเรื่องของเธอมีอยู่ว่าเธอเป็นลูกคนจนรับจ้างเผ้าไร่อ้อยของเจ้านายนำอาโคตอกไปเพื่อจะกินเขาเลคิดว่าในตอนเช้ากว่าคงจะคนจะไปส่งอาหาร ถ้าก็สงสายไปเราก็หิวนำเข้าตอกที่ไม่มีน้ำกะทิไปเพื่ออยากกินแต่ก็เป็นการวันนั้นเป็นเวลาพอดีที่พระมหาไกรศพพระส า, สาวกองคสงาคัญพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธส ม, มาบัติและออกจากนิโรธส ม, มาบัติในบรรดาท่านพุทธบริษัทร เข้าสมาบัดหลายวันออกก็ไม่เป็นตามเวลาที่เขาวินาบาดกันอายสายไปไปวินาบาตไม่ทันเขาก็ต้องนั่งใช้ที่พิจิ ก, กุญาณว่าเราจะไปรับบาตรที่ไหนใครจะให้เราวันนี้เวลานี้พระอื่นเขากลับจะวินาบัดคนแล้ววันสายแล้ว สาวุโองทุ่มขันก็องทุมเด็ดพระระที่แก้กฏทราบว่าหญิงสาวน้อยสาวรุ่นรุ่นเน่ยความเป็นสาวยังน้อยเธอเฝ้าไร่อ้อยอยู่ที่ตรงโน้นเธอมีข้าตอกไม่มีน้ำกะทิตุนึ่งขันเพื่อจะมากินเวลาเช้าแต่ถ้ว่าถ้าเราไปบินาบาัดเธอพร้อมจะถวายเนีได้มีการทำบุญ การจริงไม่ตั้งใจจะเบียดเบีนต้องดูก่อนว่าถ้าเขาให้แล้วเขาเดือดร้อนไหมก็ทราบว่าการให้แล้วเรื่องอาหารเขาไม่เดือดร้อนแต่ท่านจะทราบหรือเปล่าว่าให้แล้วเธอจะตายอาจจะทราบตึงตึงตั้งใจมาโปรดคนนี้มาโปรดมาโปรดโดยโตรง เมื่อเหอะมาในอากาศใกล้จะถึงก็ลงเดินเหาะให้ชาว บ, บ้านเห็นไม่ได้เป็นการสแสดงปฏิหารคนะติเหาอเมื่อเธอเห็นเข้าเธอก็มีความนูกสึกว่าเราเป็นคนจนบางโอกาสที่เราเห็นพระแล้วก็ไม่มีของถวายไม่ได้ทำบุญกับเขาบางโอกาสที่เรามีของแล้วก็ไม่เห็นพระเราคนจนหาพระยาก วันนี้เรามีเขาตอกด้วยทพระท่านก็มาด้วยขอถวายพระเถอะตอนสายมันสายมันดะหิวขึ้นหน่อยเขาไมา่อาหารให้ช้าไปก็ไม่เป็นไรพอทนได้เธอก็นำเขาต่อไปนั่งกระยงพนมมือกล่าววาจาว่าเขาหยุดก่อนเถิดเจ้าค่ า, า พ, รพระมหาการศพท่านก็หยุด แล้วเธอก็เดินเข้าไปใกล้น้อมเขาตอกก็ถวายค่อยๆบรรจงเขาตอกเทลงในบทะวัก็หากรคสกเม่อเทเธอเธอสร็จแล้วก็นั่งกระโยงพระมือด้วยความเคารพกล่าววาจา ว, ว่าทำใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเธอเจ้าค่ะพระมหากรสุกก็ให้พรว่าเอวังโฮตก เพง่แปลเป็นยัความตามภาษาไทยว่าเธอปรารถนาสิ่งใดคใอยได้สิ่งนั้นสองความปรารถนาเพียงเท่านี้แล้วก็ะมหาอุสก็หลิกไปเธอดีใจที่ได้ทำบุญขณะที่เดินออกไปความจริงมันมีงูงูเห่าตัวหนึ่งเขาไม่บอกงูเห่าเ็า่ากงูพิษร้ายมีงูที่มีตัวพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ที่ตรงนั้น พระบาก็ศบไปยืนอยู่มันฉกัดไม่ได้เพราะติจีวรสาวน้อยเดินออกไปเธอเดินด้วยความสงบงูก็ไม่ตกใจแต่ว่าพอใส่บารแล้วพระพระมหาทก็ศพกลับถ้าความดีใจที่เธอได้ทําบุญที่เรการกล่าวว่ามีปีติในการทําบุญคําว่าปีติแปลว่าอิ่มใจชื่นใจ ก็ดีใจก็กโดดโลดเต้นเสียงตุบตับตึบตับตึบตับเจ้างูมันตกใจเองกุกเขาไม่เห็นเขาเขาก็ฉกัดเธอก็ล้มลงถึงกับความตายเพราะการทําบุญของเธอในชีวิตมีครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าถือว่าจะมีครั้งเดียวแต่ว่าคือเธอตายด้วยกำลังขอมบุญจริงๆนั่นคือจิตใจจับบุญเต็มอัตราคือมีปีติเต็มที่ ถึงกับกระโดดโลดเต้นก็เลยไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวัลโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารรอบรอบวิมานของเธอก็มีขันทองคําเต็ไมไปด้วยเขาตอกทองคำห้อยเต็มไปหมดนี่ระบรรดาเทพพุทธริสัช ต, ตามที่นางฟ้าประทูเธอบอก วาการที่เห็นหม้อของเธอก็ดีเห็นเป็นโตของเธอก็ดีที่เป็นทองคําประดับเพชรห้อยรอบวีมายนะเพราะว่าเธอถวายสังฆทานหลายครั้งรชาชชเทวีดาถวายครั้งเดียวก็มีรอบวีมานี้กันเป็นของอัศจรรย์ในเมืองสวรรค์ต่อไปนี้ก็มาคุยกันถึงนางฟ้าหมอ ด, ดูนางฟ้าคนที่สาม เธอขยับเข้ามานางฟ้าปราทูก็ถอยไปจบเรื่องของเธอแล้วเข้ามาเธอก็กลับเธอถามคั้นแรกก็คำแรกว่าจำฉันได้ไหมเลยตอบเธอแบบสปบายก <c oughs> เวลานี้ฉันยังเป็นคนจำเธอไม่ได้ ถ้าทันเป็นเทวดาอาจจะจําเธอได้เพราะเธอสวย <c oughs> เธอก็ยิ้มเธอก็บอกว่าชอบพูดล้อบแบบนี้อยู่เสมอในสมัยที่ฉันยังไม่ตายก็ชอบพูดแบบนี้ชอบพูดว่าเวลานี้ฉันแก่แล้วถ้าไม่แก่ฉันอจจะแต่งงานกับเจ้าสาวสักพันคนในคราวเดียวกันซึ่งชอบพูดในสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ ต่ ล, ล้อเล่นให้เกิดความสนุกเธอก็ตอบ ว, ว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเคยทำบุญกับท่านและก็เคยเจริญรกรรมฐานกับท่านแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของฉันใช้หลายวัดฉันศึกษาวัดต่างๆมาก่อนหลายวัดฉันชอบเจริญสมาธิ แล้วก็ต่อมาเมื่อข่าวของท่านแปรกฎขึ้นแข่งกันเลยไปฝึกซื่อศึกษาที่ท่านโดยแต่ผลที่การเจรเิญสมาธิอยู่เรื่อยๆมีผลอย่างหนึ่งนั่นคือได้ทิพจ์กุญาาณต่ความจริงคำว่าทิพกุญาณจะไม่สามารถจะจมใชเท่าพระอรหรันท่านได้ก็ไม่เป็นไร ก็พอใช้ได้ตามสมควรแล้วก็เลยทำทากรรมาฐานเรื่อยมาจิตเป็นสุขความจริงทิพยานนี้ช่วยจิตเป็นสุขมากวันไหนถ้ามีการแห้งแล้งทางใจเกิดขึ้ น, นหรือหงอยเหงาทางใจเกิดขึ้นความหถูถูทางหูถูทางใจเกิดขึ้นก็ใช้ทิุยานเป็นเครื่องปลอบ ก็หมายความมาหาทางเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นพระแล้วก็คุยกับท่านท่านก็คุยด้วยฉันก็คุยกับท่านสร้างความเพลิดเพลินเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีพระก็ตามท่านไม่คุยเรื่องอกุศลท่านคุยเฉพาะสิ่งที่เป็นอกุศลเสมอ <c oughs> อะไรที่บกพร่องอยู่ท่านเตือนถ้าเตือน เธอให้ปฏิบัติตามแบบง่ายๆฉันก็ทำตามท่านถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอตอบว่าฉั้นอยู่ชั้นยามาค่ะที่ตกใจที่ตกใจเพราะว่าผู้หญิงดีกว่าเรา <c oughs> เราจะเป็นคนดอกเด็ก หลอกเด็กปวดท้องเสียดท้องอืดอยู่ทุกวันอาการร่างกายเครียดขึ้นทุกวันไม่มีทางดีขึ้นเวลานี้เธอละร่างกายไปแล้วแล้วก็ปรยู่สวรรค์ชั่นเดาวดึงกันบ้างเช่นยามากันบ้างร่างกายเขาและเธอทั้งหมดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดจะดับแรกเป็นสาวขนาดไหนก็เป็นสาวขนาดนั้น รุกร่างหน้าตาเปีนไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดมีแต่การรุ่งโรจน์สวยงามมากขึ้นถ้าบุญบารมีเพิ่มเอ้เราเองนี่ยำแย่แก่ลงทุกวันพระส่ายก็ใช้ไม่ค่อยได้ทุกวันงานก็นหนักยังอยากจะเลิกงานอยากจะพักทุกอย่างเสียหมดแต่ก็พักไม่ได้เพราะมีกฎจำกัด รวมความว่าก็ตามเรื่องทำราวมันเป็นกฎขุองกรรมเกิดมาชาตินี้ก็ใเป็นเป็นหนึ่งชาติมันจะอยู่ไปเท่าไหร่ก็เชิญมันอยู่ไปตามชอบใจของมันมันจะมีทุกเวทนาขนาดไหนก็เชิญเป็นไปตามชอบใจของมันแต่ก็พยายามรวบรับการงานให้แล้วแล้วเร็วที่สุด ก็อยากจะทำเฉพาะงานภายในคือสอนกรรมฐานพุทกิเป็นสุขอย่าบนเลยนะคนแก่มาที่พี้บนญเขเล่าเรื่องเราวขอเธอต่อไปจินได้ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานวิมายหองเธอสวยไหมแต่ความจริงวันดาท่านพุทธบริษัทนางฟ้าคนนี้มีเครื่องแต่งกายแตกต่างจากนางฟ้าสองคน นางฟ้าสองคนที่ที่พูดมันแล้วคนแรกนางฟ้าปูทะเลเทเธอมีคือมีพื้นผ้าประดับกายสีเขียวอ่อนสวยเย็นตาแลฟลวคลาเป็นยับสวยงามมากถ้าพูดนี้เธอก็ยิ้มหน้าก็จะยิ้มอดแต่ต่อไปมานางฟ้าปูทู เธอแต่งกายชุดแต่งกายของเธอมีสีเหลืองทั้งนี้เพราะอะไรเธอบอกมาเดี๋ยวนี้เธอบอกว่าเพราะจิตใจจับพระสงฆ์องค์นั้นพระสงฆ์องค์นั้นท่านมีสีเหลืองคือผ้าของท่านเหลืองเธอตอบตอบไปนิดหนึ่งเธอไม่ทราบรือว่าพระสงฆ์นั้นเป็นพระที่มีความสําคัญ ก็ถามเธอว่ามีความทุกข์ขันขันไหนขั้นชานโลกีหรือเธอตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นโลกตระหรือเธอก็ยิ้มถ้าไม่ใช่ชานโลกีก็เป็นฌานโลกระเทถามต่อไปเธอก็สันหน้าเธอบอกว่าห้ามถามชั้นไหนไม่บอกบอกอย่างเดียวว่าไม่ใช่ชานโลกีอยู่แถวไหน เธอตอบว่าไม่บอกตะวันออกก็ได้ฮลองเล่นกระดังฟ้าดูถามว่าอยู่แถวไหนเธอบอกก็ไม่บอกตะวันออกก็ได้เอ้ยสงสัยว่าอาจจะอยู่ทางทิศตะวันออกพระองค์นี้เป็นพระ ด, ดีจริงเป็นพระที่มีความฉลาดมากอาจะมาก็โคตโมทนาในความฉลาดของท่าน ที่ท่านเป็นหมอดูคนชอบหมอดูเวลานี้ใครเป็นหมอดูก็ถ้าคนไหนเป็นหมอดูคนนั้นมีเสน่ห์มากคนชอบมากคนไปมาและพระองค์นี้ก็ฉลาดแถมให้นึกถึงท่านนี่สำคัญมากการนึกถึงท่านท่านบอกใจช่วยได้ไง่ายๆมีอะไรเกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นอาศัยใจต่อใจประสานกัน อย่างนี้มันไม่ใช่การมาถูกเพราะพระท่านก็แก่แล้วคนที่ถูกแนะนำก็แก่แล้ว <c oughs> เป็นการแนะนำที่จะหลาดให้จะเดินสังขารรัตติกรมรมฐานอย่างง่ายง่าแม้ต้องชมความฉลาดของพระองค์นี้ขอชมจริงๆอยู่ที่ไหนก็ช่างเอิญฟังเทพก็บรบบรดาโปรดทราบดิวา่าผมโมทนาในความดีของท่าน <c oughs> รู้สึกขอบคุณท่านที่ช่วยกันเจริญโงพุธศาสนาในการเป็นหมอดูดึงคนให้เกิดศรัทธาได้ดีแต่ว่าจะมาไม่ไหวนะได้แต่เป็นหมอดูดูว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าจะให้พยายกรณ์น้ะไม่ไหวก็ถามเธอต่อไปว่ามีมายของเธอเขาโทษ เสื่อมบรดับเขางฟ้าชั้นยมาในใสาขาวเป็นแก้วแพรวพร้าวทั้งตัวเหมือนกับวิหารแก้วหรือว่าขอโทษเหมือนกับบรรดบแก้วหรือวิหารร้อยเม็ดเทวิมายของเธอก็เลื่อนเข้ามาวิมัยของเธอเทลื่อนมาวิมัยของเธอก็ขาวใสเหมือนกันแพรวพร้าวเป็นเป็นเพชรเป็นหยับเต็มหลังไปหมดวิบานใหญ่ แต่วิมานของเธอมีวิมานแถมวิมานหลังใหญ่ก็มีไปวิมานหลังย่อมๆหรือสองหลังคล้ายๆสถานที่นางเล่นเธอคงทําบุญไว้มากเธอก็ตอบว่าใช่สมัยที่เป็นหมอดูชอบเป็นหมอดูทางในท่านแม่เอาคนนั้นแนเจอเจอตัวดีเขาแล้วเคยใช้ทิพยานดู ใการใช้ทิพยานดูนี่มีประโยชน์มากถ้าตอนเช้าก็ต้องคุมอารมณ์ของนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์โกนใจท่านชาวตู่เมอตื่นขึ้นมาแล้วพับ ก, ก็ต้องจับจิตไล่นิวรณ์กันทันทีถึงกระนั้นมันก็อดโกนใจไม่ได้แต่งโกนใจไม่ได้นานขับนิวรณ์กิดพอไปให้จิตใจผ่องใส่ไว้เสมอใครถามอะไรตอบได้ทันที เมื่อขับที่วอนไปแล้วสิ่งที่จับประจําอยู่ก็คือพระพุทธเจ้ากับครูบายจายัยเขาเทวดาทัะภหมทั้งหลายที่ท่านเมตตากรงความวาจิตเป็นสมาธิเป็นพุทธานวติ ด, ด้วยสังขารนุสติ ด, ด้วยวิเทวตาลุสติ ด, ด้วยเป็นประจํากําลังเธออย่งสงูงก็เลยถามเธอว่าอะไรนะที่มันห้อยหอ ย, อยู่รอบรอบวิมาน ลายกดวองแล้วเมื่อถังตักน้ำถ้าถังมันก็เป็นเพชรแปร์พราวอันนี้ไม่ใช่ตองคำเป็นเพชรแปร์พราวปัยัะแต่ขอนที่ใสข้างบนก็เป็นเพชรสงขึ้นสวยมากรอบอิมานเธอก็บอกว่านี่คือาการถวายสังฆทานที่พระคุณเจ้าจัดให้ใส่ถัง ถังนั่นก็นเลย่าห้อยรอบรอบวิมานของฉันถามว่าเธอถวายสังทานแบบถังถังนี่กี่ครั้งมันยิ่งมากมายแบบนี้แต่ถังเวลานั้นสวยมากไม่เหมือนถังที่เขาคิ่วถวายสงฆทานถังนี้คี้วถวายสังถทายเป็นถังเก่าของก็ในกระดุมมัว แต่ น, นี่ทุกอย่างเป็นเพชรหมดของข้างในก็เป็นเพชรแปวพราวยับยั้งแสงออกสวยมากเธอก็ตอบว่าการถวายสังฆทานจริงๆไม่เกินสิบครั้งเฉพาะสังฆทานถังเพเวลานั้นสังฆทานถังร้อยบาทยังไม่มีมีแต่สังฆทานสังฆทานถังห้าร้อยบาท เงินห้าร้อยบาทมันก็หาได้ยากแต่เวลาใครเข้ามาดูให้บริการเขาให้ก็เก็บไว้ไว้ถวายชันก็ทานบ้างไว้ใส่บาตรบ้างเวลาพระแดงไขรขออะไรขึ้นมาก็ทําบุญกับพระบ้างทุกอย่างที่ได้มาทั้งหมดก็ใช้สมเด็การคือกินใช้เองตามความจำเป็นไม่เก็บกักไวแต่เก็บกักไว้บ้างเพียงแค่ยารักษาโรคป้องกันกันเจ็บป่วย นอกนั้นก็ทำบุญหมดคิดว่าเราต้องตายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะตายก็เห็นวิมานที่ชั้นยามานิกรถามพระถามเทวดาท่านว่าคนอย่างฉันถ้าตายจากความเป็นคนจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็เชื่อดวิมานหลังนี้ ทีม่มานหลังนี้มันเกิดก่อนชั้นตายมาก <c oughs> พอฉันได้ทิพย์กุยันฝึกได้แล้วเรามาที่นี่ได้อาศัยมโนยิทธิมาที่นี่ได้จันเห็นี่มานหลังนี้แล้วที่มานหลังนี้ว่างจากเจ้านายแต่ว่ามีคนอยู่นั่นคือบริวารถามว่าบริวารของเธอมีเท่าไหร่ ก็ตอบว่าเวลานบริวารของฉันเวลานี้มีสี่พันคนเป็นนางฟ้าทั้งหมดเธ่บอกให้ดูบริวารของเธอแล้วก็เห็นทุกคนนั่งสงบสงัดก็ถามว่าเขานั่งเงียบเงียบเาทำอะไรกันเธอก็บอกว่าวิวารมีบริวารทั้งหมดนี้ทำสมาธิก็ถามว่าเธอมีวิมานทำไหมมีวิบริวารทำไมกันนะ ในเมื่อเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรมก็ตามไม่มีงานจะเพ่งทำถ้ามีบริวารก็ไม่ได้ใช้บริวารทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาอย่างนี้ก็ถือว่ามีบริวารต่อไม้จะดีกว่าเรานั่งขี่มันต่อไม้ได้เธอก็หัเราะเธอบอกว่ามันเป็นระเบียบของสวรรค์ ในเมื่อมาเห็นก็เห็นบริวารเต็มแล้วก็ถามว่าวิมานบริวารพวกนี้มาจากไหนเธอก็ตอบว่าบริวารพวกนี้เป็นคนที่เคยเจริญสมาธิเคยให้ทานเคยรักษาสิงเคยฟังเทศแต่ว่าขาดการสร้างวิหารทานคนประเภทนี้มีมากในเมื่อไม่เคยสร้างวิหารทานวิมานของตัวเองก็ไม่มีอยู่ก็ต้องมาอยู่ร่วมกัน แต่คำมาบริวารนี้ก็ไม่เยทัดรับใช้ถือว่าเป็นเพื่อนแก้เหงาดีกว่ารวมความวาบุญบา ร, รมีของเธอบรรดาท่านพกฟังรู้สึกว่านางฟ้าหมอดูนี่เธอเป็นหมอนดูก็กถามเธอต่อไปว่าการเป็นหมอนดูของเธอไม่ประโยชน์อะไรบ้างเธอบอกว่าทําจิตให้ผ่องใสตลอดเวลาอารมณ์เป็นสุข ก็าถามว่าเวลานี้เธอมานั่งในกลุ่มของคนที่มีบาตรอยู่เบื้องหลังซึ่งมีนางยักษิศีคุมอยู่ข้างหลังแต่ความจริงเขาไม่ได้คุมอยู่เขาก็แสดงเป็นภาพเป็นนางยักษิศีแต่ความจริงไม่ใช่นางยักษิศีเป็นภาพการแสดงการว่าทุกคนยังมีบาตรอยู่เบ้างหลังถ้าพลาดจากสวรรค์มาอะไรลงไปเกิดในมนุษย์ก็ต้องลงลงเลยเพื่อไปถึงอบายภูมิ เธอก็ต่อมาบาปเก่าๆมันมีอยู่ก่อนที่จะมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆการจริงพ่อแม่ก็เป็นคนของพระพุทธศาสนานักพีพระพุทธศาสนาในการนักือในระหว่างนั้นมันก็ไม่แน่นักที่ว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจว่าตามว่าอะไรว่าตามกันท่านบางท่าน ผู้วาจารย์บางคนพระบางองค์บางทีท่านก็ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาะบาปานาทิบาตฉันก็เคยทำอาทินาทานมีบ้างตอนเด็กๆเล็ก ๆ, ๆน้อยๆการเมลสุมมชาจารย์ขผ่านไปไม่มีไม่เคยแย่งสามีปัญญาของใคร ถามว่ามีสามีหรือเปล่ า, าเธอบอว่ามีถามเธอว่าก่อนมีสามีมีสามีพิเศษหรือเปล่าเธอยิ้มเธอถามว่าถามทำไมก็อยากจะทราบรูปร่างหนา้าตาสาสวยแบบนี้มันน่าจะมีคนชอบอมากแต่ก็ตอบว่าคนชอบมากแต่มีก็ได้แต่ชอบฉันก็เขาชอบฉันฉันก็ชอบเขา แต่ว่าฉันก็ไม่ชอบให้รุนลรทถึงขนาดนั้นแค่คุยกันคุยได้แต่ทำอย่างอื่นทาไม่ได้เพราะผิดประเพณีนิยมมีเคร่งคัดมากคนนี้เก่งจริงหรือเปล่าภาษาอ้าวเนี่ยคุยกับนางฟ้าว่าตรงจริงทีนะกระรวมความว่าํามว่าบาปที่มีความสำคัญของเธอมีอะไรบ้างถ้าที่พูดมามันไม่หนักเธอก็ตอบว่าบาปที่มีความสาคัญอยู่อย่างหนึ่ง ไม่ถึงกับปราโมทพ ร, ระรัตนตรัยและปราโมทนักบวชที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาเอาโค้แล้วเอาเขาแล้วนี่ด่าฉันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะชักสงสัยก็ถามถึงว่าคําว่าพระรัตนตรยัยที่บอกว่าพระรัตนตรัยคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองมาทำคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามพระอริยสงฆ์อย่างนี้คือสามลัตนะแก้วสามดวงแก้วจริงๆไม่ไม่เสียเป็นของดีมากมีแต่ความผ่อนสัยแต่นักบวชบางคนไม่เคารพพระพุทธศาสนาะอย่างนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ลัตนะไตรเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วเออเชื่อใจเต้นตับตบๆบจใหญ่คนนี้เขพูดยังไงวะ ก็ถามว่าเป็นยังไงแกก็ตอบว่าการที่ฉันทําบุญแกก็นินทาว่าทําไมทําบุญทําไมต้องไปทําวัดนนต้องไปทําวันนี้บุญมันก็ได้ถูกวัดเธอก็ยอมรับว่าความจริงบุญได้ทุกวัดแต่กาลังใจมันไม่โฟมันไม่อินใจจึงตั้งใจทําบุญเฉพาะวัดที่มีความเรื่มใสพระพวกนี้ก็ว่านักบวชพวกนี้ก็ว่าฉันก็เลยไม่ชอบใจ เมื่อว่าฉันมาฉันก็ว่ามังตอนฉันจเจริญกรรมาถานแกก็หาว่าบ้าตอนนี้จนเป็นหมอดูกแกก็เป่าว่ากาศกับดาประชาชนว่าจะไปเชื่ออีนี่มันหลอกลวงมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนเนี่ยเขาโทษที่ลืมบอกไปเพราลูกเจ๊กหิวขาวโปรง่งมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนไหมนับถือพัตถุสัตว์นาจริงหลอกลวงแต่ว่าการดูของเธอ ไม่เก็บเงินไม่เรียกเกินไม่เรียกของไม่เรียกอะไรทั้งหมดถ้าเขาให้รับไม่มีการกระเกนคนไม่มีตังให้ก็ไม่เป็นไรแต่การดูของทุกคนต้องนําดอกไม้ทุกเขียนมาครบเขียนคําถามห้าข้อทุกคนมานําดอกไม้ทุกเขียนมาแล้วต้องไปบูชาพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจะประยาดก่อนให้เกื้อความว่าเธอแนะนําให้คนมีบุญ แดะคนประเภทนี้ด บ, บันดาท่งพุทธบริษัทที่เป็นบริวารดะ บ, บันดาท่านองหลายเวลานี้มองนาฬิกามันเหลือเวลาเพียง2ี่สิบวินาทีทีาจะตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี